ฟังดําขอมีส่วนร่วมับทุกท่านในการทําความดีในการลักความชั่วในการทํากิจให้บริสุทธิธธธธธธ์อะไรที่พอจะเป็นเพื่อนกันได้พูดให้ฟังทําให้ดูอยู่ให้เห็นไม่ใช่เลาเกี่ยวเดียวได้ใครมาจากไหนที่ใดเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้มีอายุ เป็นนักบวชเป็นกล่าวว่าลทธินี้ใครใดไม่มีความผัดข้องอะไรเรามาเป็นดันเดียวกันให้เข้าถึงความรู้สึกตัวอย่าไปติดไปข้องกับสิ่งอื่นที่เคยผ่านมามีความรู้สึกตัวเมื่อมีความรู้สึกตัวเราก็เป็นคนคนเดียวกันเราก็ มีความรู้สึกตัวเมื่อมีความหลงเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เป็นงานอันเดียวกันความหลงอยู่ณที่ใดกับคนผู้ใดความรู้สึกตัวเกี่ยวกับผู้ใดกับท่านผู้ใดล้วก็ทาหน้าที่อันนี้เหมือนกันหมดมีชีติเท่าเทียมกันในการปฏิบัติธรรมนี้เรามีชีติรู้สึกตัว เวลามัหลงเรามีสติรู้สึกตัวใช้สติของตนเองมันก็มีอยู่นะความหลงก็มีความรู้ก็มีความสุขความทุกข์ความผิดความถูกความยากความง่ายมีกันทุกคนสิ่งเหล่านั้นอย่าเอามาเป็นเครื่องของขั้นกควงมโมงอหอนอนกวามหลงลยสงสัยความชิดทุ่งซ่านมีเหมือนกันหมด อย า, อามาเป็นเครื่องต่อรองกับความรู้สึกตัวให้มีความรู้สึกตัวทันทีเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นขณะที่เราประกอบความเพียร่าลบความเพียรอยู่ให้ถือว่าเป็นอาชีพสักเด็ดวันห้าวันจีบวันวสีน่จีบวันเราทำสิ่งใดบ่อยๆแล้วก็ชั่นี้ชํนานาญ ของหนักก็เป็นเบาได้ของยากเป็นง่ายได้มันก็มีการพัฒนาชีวิตของเราเป็นไปได้เหมือนกันเราจะเพื่เป็นนักกีฬาแบบใดเราให้เราใส่ใจก็จริงเร้หนันไปเราจะเขินเหมือนเพียนหนังสือก็จริงในการเรียนหนังสือในการทํางานเป็นศิลปะของ ผู้สนใจเรื่องใดเป็นไปทำนองนั้นนี่อันนั่นมันก็เป็นอันหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่อันเดียวกันอยู่นี่คือมีความรู้สึกตัวเนี่ยให้รอเด้เพียรขยามชักหน่อนกอบขึ้นฝึกขัดตัวเองไม่ใช่การเรียนรู้เราก็รู้มาด้วยกันตั้งนั่นแหละ แต่ว่าอันความรู้นะมันใช่ไม่ได้บางโอกาสต้องถึกฝึกขัดให้มันเป็นอันทาให้เป็นเนี่ยมันเป็นสมบัติไม่ลืมไม่หลงความรู้มันจาไม่ค่อยได้มันใช่การเรียนรู้เป็นการฝึกตนเองสอนตนเองแก้ไขตนเองเวลามันหลงรู้สึกตัวทำให้มันเป็น เราหมันสุขเหทุกขรู้สึกตัวทําให้มันเป็นเราเหมือนโกรธเหมนโลภบหมนหลงมีกิเลสตั้งๆล่ะคะที่มาเกิดขึ้นก็ให้มีความรู้สึกตัวทำเรื่องนี้ให้เป็นกลับมาใบ้ๆอาศัยนิมิตอาศัยกายเคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่มิตรที่เราอาศัยใช้กายนี่แหละเป็นวัตถุอุปกรณ์ผิดความรู้ขึ้นมาหัดให้ไม่มีสติไปนในกาย อย่าเพ่งอย่าจ้องทำสบายสบายของที่มันเบาบางทีไปโหมมันก็เสียแรงไม่ใช่เรื่องโหมกำลังเอายิงเอาจังอย่าไปเอายิงเอาจังจนเกิดความคิดเอาไปใช้ความคิดหาคำตอบจากความคิดตั้งกายทั้งความคิดมันก็เป็นเรื่องยากบางทีก็เพี่ยนไป ของที่มันค่อยๆเป็นไปตามธรรมชาติอย่างเราบีบข้าหนมจีนข้ารอดช่องมันมีทางออกพอดีพอดีกับความแรงพอดีพอดีถ้าใช้แรงเกินไปมันก็เพี้ยนได้เช่นบีบข้หนมจีน มันมีรูน้อยๆก็ค่อยๆนวดบีบนวดดอกมันก็ออกเป็นเช่นได้ถ้าบีบแรงเกินไปนก็ขาดเปลียนขาดก็ต้องเสียเวลาเสียแรงไปเปล่าๆถ้าเราหัดทําให้เป็นอย่างนี้กับการสอนตนเองเนี่ยมันก็เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายได้ความรู้จึกตัวมันรู้เบา มันเป็นความยิ้มยิ้มชักหน่อยเป็นความสดชื่นชักหน่อยถ้าความ ย, ยากๆหน้าดําความเครียดไม่ใช่ความรู้สึกตัวเส็จแล้วเอาความยากเอาความง่าไปต่อรองเอาความขยันเอาความขี้เกียจไปต่อรองเวามันขยันก็ทําเวลาขี้เกียจก็หยุดแต่ใช้ชีวิตยืนเดินนั่งนอนแล้วแต่ที่จะมันจะคิดให้ยืนในนั่งในนอน มันอยากนั่งก็นั่งลงถ้ามันอยากยืนก็ยืนขึ้นถ้ามันอยากเดินไปไหนมาไหนอยากมองอะไรจะคิดลายรเรเคยกินดังนั้นแล้วก็สอนมันตรงนั้นแหละอัดลำดับลำำํานําให้มันชัดเจนเกี่ยว ก, กับการใช้ชีวิตมันมีสิ่งผืกเัด เ, เยอะแยะในเรื่องตาหูจมูกดิ้นกระจายบางทีก็เามาประกอบ แม่สิ่งเวทหลมชวนใหยลูกก็มีชวนให้หลงก็มีในตัวนอกตัวเอามาเป็นการสอนตนทั้งหมดมาเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดรว ม, มลงที่นี่แม่ไม่มีที่ไหนที่ไหนเอามาไว้ที่นี้เอามาลงที่นี่รู้สึกตัวรู้สึกตัวง่ายง่ายเพาเชี่ยวเหตุเอาผลนานะ เอาเหตุเอาผลไปแก้ไปไขเอาหัวคิดปัญญาคิดได้ตอบได้อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนเราเรียนหนังสือวิชาการต่างๆมันทั้งหลายเรียนจบมามีความรู้กันดังนั้นพระพุทธเจ้าสำัมเป็นเจ้าพายสีทธธัตทะรู้มามากกว่าเรานี้ส7บเจ็ดศาสตร์ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเลย ที่จะเป็นพระทธเจ้าได้ตัดสรูดได้ถึงมรคนิพพานได้มามีสติเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยไม่พระองค์เริ่มต้นต้งแรกไม่แต่การคู่เฉินเข้าการเหยียดเฉันออกให้มีสติหัดตูด้เฉินเข้าหัดเหยียดฉันออกมาเดินไปข้างหน้า ใช้อีบุจับชายจีวรมานุ่งมอห่มจะใช้ชีวิตอันใดที่มันเคยเคลื่อนไหวเอามาใช้เป็นการฝึกให้ตนรู้สึกตัวหัดอย่างนี้ไม่ใช่ปล่อยปะละเลยดูแลตัวเองให้คุ้มตัวโลก็ไม่มากมีกายมีใจเท่านี้มันสามารถเอามาฝึกได้เอากายมาฝึกเอาใจมาฝึกแต่ต้องเอากายก่อน เ่าไปจับจิตจับใจเลยบังคับไม่ให้มันคิดให้มันสงบหลับตาช่วยมันบริกรรช่วยมันอันนั้นมันไม่ใช่ของจริงของจริงชีวิตเราต้องอใช่ให้เป็นประโยชน์ใช่อริบทต่างๆได้มีตาก็ดูมีหูก็ฟังได้แต่ให้มีสติเรียกว่าสอนตนฝึกตนดางที่ราไปบังคับตัวเองบังทีก็ ขางอะไรไว้ผิดๆสมัยก่อนลุงตาเคยเอาเรื่องอื่นจริงจังเกินไปเราเดินจงกรมเราดังสมาธิอันนี้จุดทูบไว้เรทูบไม่หมดจะไม่ลุกเดินจงกรมก็ปักทูบเอาไว้เรทูบไม่หมดจะไม่ยดุด มันก็มองไปเมื่อไรทูบจะหมดนะเลยมันก็เป็นเรื่องที่กระจุยกระจายไปเลยบางทีก็มีประโยชน์บางทีก็ไม่มีประโยชน์ถ้าใช่ไม่เป็นก็ไม่มีประโยชน์ถ้าใช่เป็นก็มีประโยชน์อัตตัวเรานี่แหละกำหนดมันมีความพอดีของไข่ของมันเพราะคนร่างมาค่อยได้นานเพาะคนก็นั่งได้นานอันนั่งการลุกมันจะให กายมันสั่งแบบมันหรือความคิดมันสั่งให้สติมันสั่งให้มันเป็นใหญ่สักหน่อยให้สติเป็นใหญ่เวลานี้จะให้กายเป็นใหญ่อย่าให้ใจเป็นใหญ่อย่าเอากายไปต่อรอง่างทีอย่าไปเอาความคิดต่อรองกำหนดอะไรความคิดที่ไม่เคยฝึกหันจิตใจของตอนเองมันไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไรข่มไล่ข่มดีผูู้แพร่แพ่ ครามพอใจก็ไม่พอใจนิสัยต่างๆมันเคยกินมันติดเปะ้มันเพื่อนมาแล้วจะเคยจะมีนิสัยยังไงบัดนี้เรามาขอนิสัยจากพระพุทธเจ้าหังบันเดนิดสิ ย, ยังอยจาจะมิพระเจ้าขอนิสัยขออยู่กับธรรมวินยัยขอเข้าแบบเข้าพิมพ์ณะหล่อ แบบพิมพหล่อให้เป็นพระมีสติเนี่ยเป็นแบบพิมพ์แม่พิมก็ความหลงมันหล่อให้เป็นเปรเป็นผีเป็นยักษ์เป็นบานตามอาการต่างๆมันมีรู้มันมีหลงเนี่ยแน่นอนที่สุดไม่มีใครปฏิเสธเรื่องนี้ได้เออไม่มีรู้มันก็ไม่เห็นหลงบางทีความหลงอาจจะอยู่ครอบของไอ้ใจของเรา พอให้เราผิดพลาดหลงไหลไปต่างๆบอนนี้เรามาลู้สึกตัวไปก่อนหัดลู้หอดลู้หัดลู้สิบสี่ลู้สร้างจาังหวะสิบสี่จังหวะดยความลู้สิบสี่ครั้งครั้งละวินาทีมันก็ทำได้อย่างนี้จึงว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่มีใครยกเบอร์ไปลู้สึกตัว ลองไม่ใช่คนใบ้คนบ้าโง่เง่าเต่าตุตนแล้วก็มีอยู่อาจารย์ท่านสอนให้เป็นกรรมฐานเมืองตุนให้รู้สึกตัวสิบสี่จังหวะหัดมีบรรทัดไปก่อนหรือหัดอาศัยนิมิตไปก่อนเนั้นเราเขียนหนังสือต้องอาศัยเส้นบรรทัดไปก่อนซึ่งบรรทัดเต็มบรรทัดไปก่อน ต่อไปถ้ามันชนานํานาญไมะไม่ต้องอาศัยบรรทัดก็ได้แต่ก่อนเราเขียนหนังสือต้องดูกระดานมือต้องเขียนแบบนี้ไม่ต้องดูกระดานเขียนอะไรมันมีอยู่ในสมองรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์มันบันทึกไว้แล้วอันนี้มันบันทึกอะไรมา ใจของเราบานเคยอะไรมาใจของเราบางเคยชินอเลยบ้าบางทีมันทวนไปอดีตบ้างอานาคตบ้างไหลไปอานาคตไหลไปอดีตไปข้างหน้าไปข้างหลังคนหนุม่มมองไปข้างหน้าตักพืตนเือไปแล้วจะทําไงวางแผนอะไรคนไหนที่คนลักคนไหนที่เราพอใจหาคําตอบจากความคิด นิสัยก็ต่างกันไปก็ชอบคนละอย่างบาปคนชะลาเหมือนล้องตาเนี่ก็มองคืนข้างหลังก็ไม่ปึกอะ่ะก็แม่ที่เคยมีลูกมีเต้าเคยประกอบอะไรมาพุกยอดอะไรเหลือดโลดอะไรปัญหาเรื่องใดมันติดมาด้วยคิดทืนข้างหลังคิดไปข้างหน้าไม่เป็ น, นก็แก่คิดคืนข้างหลังมันก็ไปอย่างนั้น บบนี้ปัจจุบันเนี่ยมันก็ทิ้งกว้างไว้กันหมดจริงๆเรามันเป็นปัจจุบันนะชีวิตเราเนี่ยแต่ชำมาลายนั่นจะดีมันจะชั่วมันก็อยู่กับปัจจุบันไม่ใช่ไปคิดเรื่องอดีตอนาคตเราจะเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อแต่คิดไม่ทำนะครับตอบจากความคิดไม่เป็นจริงฝันหวาน อาษานะฝันลายฝันหวานบางทีก็ไปอาศัยความฝันจริงๆ น, นะจนเกิดขั้นพึ่งความฝันไปจนแล้วคนก็หยันพึ่งการกระทำปัจจุบันนี่คือของจริงมันต้องเริ่มต้นเดี๋ยวนี้สิบสี่รู้สิบสี่วินาทีเอาไปเลยความรู้สึกตัวสิบสี่วินาทีรู้ที่กายกายก็มีทุกคน รู้ที่ใจใจก็มีกันทุกคนต้องต้นจากตรงนี้แต่รู้วินัยทีหนึ่งรู้วินาทีหนึ่งรู้ทุกโงหนึ่งรู้สามพันหกร้อยรู้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วรูว้มากรู้มากไปไม่ต้องไปคิดหาขีดทั้งผลเป็นการกระทําที่ว่ากรรมฐานที่ตั้งของการกระทําปฏิบัติให้เป็นสถาบัน ให้มั่นคงชัดเจนแม่นยำหัดตนสอนตนเมื่อแต่คิดเอาเหตุเอาผลเอาผิดเอาถูกเอาพอใจเอาไม่พอใจชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้อ่านไม่ใช่ไม่ใช่เกิดจากการกระทา ม, มันายไปแล้วจากการกระทา ม, มันเดี๋ยวนี้คือเนี่ยฝึกอย่อางนี้เรียกว่ากรรมฐานทำให้เกิดพุท ธ, ธะจบได้ ความหลงก็จบได้ความกดก็จบได้ความทุกข์ก็จบได้กิเลสตัณหนาอะไรก็จบได้มีตกิจที่บริสุทธิ์กลายบริสุทธิ์เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาแต่ก็สะดวกใช้ชีวิตตื่นแต่ดึกสึกสนมให้มีชีวิตดังงานไปอย่ารอให้เท่าหัวแก่ถ้าไปเท่าบัวแก่แล้ฝึกมันก็ฝึกยาก คนแก่ง่อมย่อมทุลักทุเลมากเหมือนต่อบอดข้ามภาคฝังกองหาการไต่ไผ่ลำการคำมากิริยาแสนทุลักทุเลเล่ถ้าไม่อยากให้ทุลักทุเลมากต้องข้าภาคแต่นเนินก่อนตนแก่ตื่นตะลึกสึกตนดุบรอให้เท่าไอแก่ศาสนาธรรมะศีลธรรมเป็นเรื่องของคนแก่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนหนุ่มเนี่ย คนแก่อย่างหลวงตาเนยประชาชนบัตรประชาชนขาก็ไม่ถามหาแล้วไม่เป็นที่เป็นใครต่อจริงใดถ้าคนหนุ่มก็ต้องเอาจริงเอาจังเรื่องนี้แม้แต่ปหาต่างๆก็เจอคนหนุ่มก็เจอวัยรุน่นเราจึงเขียนสะตั้งแต่เจ้านี้มีสติรู้สึกตัวไป มีสติวินาทีหนึ่งมีสติวินาทีถึงมันก็เป็นมากขึ้นมากขึ้นนับเงินหมื่นเงินแสนก็นับจากบาทเดียวเรื่องละไปอยมันทําได้กายก็มีจริงใจก็มีอยูร่รู้สึกตัวไปมันก็มีกายมีใจท่านี้คนเราแม่แปดหมืนสี่พันเรื่องมันก็มีกายมีใจนี่ได้าหลู่ต้นต้นนี่เข้าไปก็ ก็ไม่มีอะไรก็มีแต่ความรู้สึกตัวเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจถ้าไม่มีความรู้สึกตัวเป็นเจ้าของความหลงเป็นเจ้าของก็ปล่อยเถื่อน ส, สอนัมส่นก่อยโสเพณีจิตโสเพณีไปเลยทำมาดีทำชัว่วทำดีได้ยากทำชั่วได้ง่ายเป็นประสาต่อตัวเองแลือคนอื่นจึงเงินวัตถุอื่นทุกคนถ้ามีสติดูกายกับคนทนเดียวกันแท้ๆเราเนี่ย อย่ามาอา้างอยากดีมีจนดีชั่วอะไรออไม่ต้องออกมาอา้างใครทำอะไรมาก็กไม่เป็นไรอย่าไปคิดทบทวนอะไรมากมาปฏิบัติทำมันชิ่นเบนชิ่นกรรมเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ เ, น, เ น, นี่ยมันก็หมดกรรมไปแล้วเวลามันหลงรู้สึกตัวชิ่นกรรมหลงไปแล้วอมหลงก็ไปเป็นเปรเป็นสิโลกาจตนาโรกเดือดฉานเราหมดรู้สึกตัวหมอขึ้นหมองสู ความเป็นมนุษย์ความหลงเป็นคนความเป็นรู้สึกตัวเป็นมนุษย์มนุษย์คือผู้ที่มีความรู้สึกตัวมีใจสูงแล้วความเชื่อเป็นทาความดีเป็นโดยเฉาะโดยใจของเราไม่ต้องไปหาอะไรอีกมากมายบางทีเราไปต่อลองเราไม่มีโอกาสทำบุญํำทานอันนั้นอย่าเอามาต่อลองนี่แหละการทำบุญเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยเป็นบุญแล้วบุญคือความรู้บาปคือหลงทาบุญตอนนี้ เรียกว่ากุศลก็ได้ทำดีทำดีให้ลูกสืบตัวเนี่ยเป็นความดีแล้วถ้าเรารักพ่อลักแม่ลักลูกลักเมียลักพี่ลักน้องเ ร, เราก็ต้องเป็นคนดีตรงนี้ไอ้ใจความรักด้วยคิดอะไรอาวรณ์อันนั้นมันไม่ใช่บริสุทธิ์ความรักที่บริสุทธิ์มันคือเราเป็นคนดีรักเข่ามีปัญญาก็เราต้องเป็นคนดีรักพ่อรักแม่เราก็ต้องเป็นคนดี พ่อแม่เลี้ยงเรามาอยากให้เราเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนดีก็สุดหัวใจแล้วพ่อแม่หายใจโล่งอิ่มใจไม่หิวถ้าเราเป็นคนชั่วพ่อแม่ก็หิวหิวอะไรหิวความดีของลกูกสามีหิวความดีของวันริยาปัญญาหิวความดีของสามีถ้าคนเป็นคนดีเราอิ่มใจมองเห็นร่างกันไงอิ่มใจได้สวรรค์นในสิผาน ถ้เป็นคนชั่วมองเห็นหน้านกันก็เป็นนรกเหมนไปเป็นสโลกายไปเลยมันอยู่ที่ความดีความชั่วนี่เขบยวผสมความดีมีสติเนี่ยแล้วมีสติมันคิดก็ไม่ได้มันพูดก็ไม่ได้มันรู้สึกตัวมันอายตัวเองนี่แต่มันชิดเปนคนอายนะถ้ามีสตินะไม่มีคนอื่นเห็นเราก็เห็นบ่าเอ้ยที่นี่ก็ชิดเหลือ ไอาชาติหมาเหนด่าตัวเอ่ไงฮด้ไหมเคยด่าตัวเองไห ม, ามชาติหมามีราชาสีตัวหนึ่งหรือว่าเป็นราชาของสัตว์ทั้งหลายยิ่งใหญ่กว่าสัตว์ทั้งหลายราชาสีเนี่ยเดินไปไหนมาไหนสัตว์ทั้งหลายจะต้องหลีกทางเขาลุเป็นหลาชาของสัตว์ทั้งหลาย โอ้ยชื่เป็นราชาก็มาดูเองเวลาน อ, อนเวลาน อ, อนเราดูที่นอนของตนเองเราตื่นจากที่นอนที่นอนก็จุกระจ่จอยมองดูที่นอนของตนก็ด่าตัวเองไอชาดหมาไม่สมกับเชื่อชาติลัทธิ ส, สีมึงไม่ต้องไปหาจินแหละนอนให้มันตายอยู่ในถ้ำนี่นอนลงองีกคืนที่สองมองดูเห็นกระจุใจ่อยไอชาติหมา ด่าเองมองดูกีวอนไอ้ชาติอะไรเนี่เป็นกีวอนญาติโยมคอยยกหมูว่ายงานคู่เร็วซ้ำวันนี้เลยด่าชาติมาไม่สมกับญาติโยมกับไหวทาบนไอท า, านด่าไปจนในที่สุดหเราจะสิลุกขึ้นมาที่นอนเรียบร้อยที่นั่งเรียบร้อยเอ๋อหากินอะไวันนี้ไปหากินนะ เราก็ด่าตัวเองมาอย่าไปหัดด่าคนอื่นหัดด่าเรว่องดีที่สุดต้ามหนีตัวเองอย่างเราชวนเมื่ี้เนี่ยตัวของเราเองติเตือนเราติตือนมาอะไรได้ไหมตัวเราเองติเตือนเราเราได้เองได้โดยสินได้หรือไม่ติตัวเองเตือนตัวเองลูกใครควรแล้วติเตือนเราโดยสินได้หรือไม่ อาการกายว่าใจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทําให้ดีขึ้นไปกว่า น, นี้มีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่เราเย็นดีในที่สงัดหรือไม่เรามีกรรมเป็นของของตนเราทําดีจะได้ดีทําชั่วจะได้ชั่วมองเขาไามันคิดหรือเนี่ยบ้าเลยเนี่ย มันคิดไม่ดีมันก็จะทําไม่ดีมันก็จะติดนะสะติลูปไปรูปอกอกมารล้ากออ่อยความคิดตัวเองยุกมือไหวตัวเองได้เป็นพระแล้วมือคนอื่นไหวเราเราก็ไม่มีเจ็บใจแต่เราเป็นคนชั่วเขาเส่บาทเรามันเจ็บใจ เรายกมือไหว้เรามันเจ็บใจถ้าเราเป็นคนดีเราได้ไม่มีการเศ้าหมองเราก็เหมือนกับถ้ายกมือไหว้ตัวเองไม่เป็นเราก็ไม่มั่นใจชีวิตเราเนี่ถ้ายกมือไหว้เป็นเขาเห็นทาก็ปกติเขาเสนเสริญก็ปกติเมื่อได้อะไรก็ปกติเมื่ออะไรเสียไปก็ปกติ ไม่หวั่นไหวผู้ที่ฝึกขนตนดีไม่หวั่นไหวเหมือนจิตาจแทงทึบไม่หวั่นไหวเพราะลมฉันใดผู้ฝึกตนดีแล้วไม่วันไหวเพราะนินดาสรรเสริญมันเป็นของใครเป็นของเราทุกคนเนะ่ถ้าเราเป็นคนดีอย่างนี้แล้วหนึ่งเราเนาะประเทศเราหกสิบกว่าล้านคนนะนับหนึ่งจากเรานี่ ไปเป็นคนดีช่วยกันมีอะไรที่เราต้องไปช่วยกันสร้างโลกอยู่โดยพวกหมอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนมีงานช่วยคนร้อยเปอร์เซนตเป็นงานบุญมีประโยชน์มากงานของเราที่ทำเป็นแต่บุญทำความดีช่วยคนทุกคนยากคนเดือดร้อนคนป่วยให้ตุตาที่รอดมานี่ก็พวกนี้ช่วยเรา เห็นพยาบาลเหมือนเห็นเทพพิดาของเราเลยเห็นหนายแพทย์เหมือนเห็นเทพบุษต์ของเราเลยโรงพยาบาลจุฬาเป็นที่เกิดไงของเราเลยเรายังคิดถึงอยู่คนหมอที่ยืนอยู่ ข, ข้างๆตี๋อยางไปบาลที่ให้ยาหลวงตาหลวงตาอยากขั้นอยากขั้นภทยอยากขั้นหนักกันเบานะ แล้วกันหนักกันเบามันธรมานตายไม่เคยได้ยินใครพูดเลยแล้วเวลาปวดหนักปวดเบาไม่กั้นเลยตอนนีเพราะเสียงไพบานบอกเราในห้องอซอยูหลองตาหลองตาอยากันหนักกันเบานะมันทรมานตายได้ยินเชิงแววแววไม่เคยมีใครบอกกันเลยเราก็อายนะที่แรกไง ไม่กล้าที่นอนหนักนอนเบาบนเตียงแล้วทำไมได้หัดไปหาไปทนอาจารย์โนดอาจารย์ตุ้มเลยคิดทีด่ชิดเยอะไหมเอา้าหลงตาที่ไหนอายอะไรไม่ใช่หลงตาแล้วมันเป็นท่า ธ, ธรรมดานอนท่า ธ, ธรรมดา ไม่ใช่หลงตาสำคัญมั่นหมายไว้ตัวเองไม่ใช่ไหมตกเป็นธาธรรมชาติมีดินน้ำหลงไฟเวลาเบาล่นก็โถนของมันก็ไว้อายเขาทีแรกแล้วก็ขอล่นแล้วล่นแล้ ว, ลลวไม่เป็นไรมาเช็ดเอาผ้ามาปูที่อนอนให้ไหมไม่ใจไม่เรียกว่าทิพย์ที่ดาอยยังไงช่วยเราอย่างนี้คนเขาเนี่ยพยาบาลนะ เ้าหน้าที่สาธรณสุขนำเนบุญในหัวใจของเราทุกคนนีขอใช่นี้ประเทศชาติโดยการบอกความจริงกันอย่างไห น, นอย่าหลงเถือพวกเราให้มีความรู้สึกตูวไปช่วยกันนะกันนะมันนี่ประโยชน์เนี่ยมือสิบนี้มือสร้างโลกได้ลอนดาก็มาใช่นี่ชวนพระชวนโยมโอ้ ก, ก้อน ม, ม้นอยตัวหมดหมดแล้วใช่นี่ประเทศชาติอีกสี่สิบปี ขายได้ต้นละหมื่นบาทสี่แสนต้นได้สี่แสนหมื่นให้จันทุนเจะว่าขายรวยไปเลยหลังจากนี้ก็ตายไปแล้วไม่เหลืออะไรแล้วอขอใช่นี่ขอจะค้มไหมอีกอันหนึ่งก็คือมาสอนให้เราเป็นคนดีเนี่ยไปช่วยกันนะเราก็มีเตอา น, นี้แหละหมดสภาพแล้วจึงอาศัยพวกเราอยู่ช่วยกันเถอะ มาเป็นคนดีมาแล้วความชั่วมามีสติเนี่ยมันทำหน้าอยู่ไม่มีใครไม่มีสติเรื่งนี้เลยทำหน้าอยู่มาอยู่ทีไรน้อยๆไปบ้านน้องโยกนอดลูกอนอดหลานเอาใส่ความคิดพาไปอย่าระวังนะความคิดมันหลอกหนาเหงินลงตาองหนะ้ามาอยู่กับเราเนี่ยแตสมัยอยู่บังเลยหลังจากผมตั้งใจแล้วมาอยู่กับอาจารย์ ตัดทิ้งใจมาแล้วอให้อยู่ปฏิบัติทำไปหายบาทมาลาอะไรส่ะแล้วก็ผมเจลากับพัดกอนอันนั่นก็ยังไม่เสร็จอันนี้คือยังไม่เสร็จเอา้าเมื่อสีห้าวันมาว่าจะมาอยู่ที่นี่ทำไมจะคิดจะกลับผมบอกให้หมาดูความคิดนะ เห็นความคิดตัวเองมันคิดอะไรจะไปตามมันทั้งหดหรือดูดีๆให้ความคิดสั่งมามาทีแรกอะไรพามาความคิดพามากลับไปอะไรพาไปความคิดพาไปความคิดอ้มนั่นแหละให้ดูวนันอย่าไปทำตามมันทั้งหมดความคิดอยากไปก็ไปอยากอยู่ก็อยู่ให้เราเนี่ยเป็นชิลล่รู้สึกตัว วันที่จะลูกก็ไม่ลุกนะลุกทุกตัววันที่จะใจไหลก็รูกถึงตัวเนะี่ยเอาตัวนี้เทศไปเลยสอนไปเลยพายบาดกับพื้นไปอยู่กติกาทั้งงานก็ไม่ไปแนละ้วเพิ่มคิดบางทีหลวงตาก็เอาเรื่องนี้จริงๆไปปฏิบัติธรรมเดือเดือนที่จังหวัดดอนทานีจังหวัดธรรมเชนาไม่หลวงพระ อ, องค์หนึ่ง ไปเอาน้องชายมาบวชอยากให้มาปฏิบัติธรรมคิดถึงน้องน้องนั่นเป็นคนร้ายได้มากได้กลัวว่าเขาจะมาฆ่าน้องเอาน้องมาบวชจ้ะน้องชายก็เชื่อฝังพี่ชายมาบวชพอบวชเรากให้เดินจงกรมเดี๋ยวหลวงตา ก, ก็เดินอยู่เขาก็เดินอยู่เดินต่อแต่ตันนะั้นวัดสร้างใหม่ไม่มีต้นไม้เลย ทั้งปเลยไหมเดือนหนึ่งออกแดดเดินกันหงอไหลคลายย่อยก็เดินอยู่เอาไปมามกราบเราอาจารย์ผมไม่ใช่ที่มาบวชนานนะผมมาบวชเพราะพี e ่ชายชวนมามาบวชเดี๋ยวก็ขาจะสึกกันเลยบอกอาหง่ายไหมใช่มาเดินจะกลมเพื่อคิดเรื่องสึกนะต้องมาเดินให้รู้จตัวเนี่ยรู้จักตัว ไปเดินจงกรมก่อนไม่ใช่คิดเรื่องสึกเรื่องสึกมันยากให้นีดเตียวยากอะไรเลยไปไปเดินเอาไปมามาหลายอีกแล้วก็บอกขี้เขาไปขี้เขาไปเห็นไหมเห็นความคิดไหนอะไรที่มันเดินมาขอลาสิันก็คิดเอา้ามาคิดอะไรก็จะทําตามมาันหรืความคิดเนวดูมันดีๆเวลานี่เป็นเวลาเดินจงกรม สึกไม่สึกไม่เป็นไ ร, รอกวาแต่เวลานี้ใช้ให้มีสติเนี่ยไปเดินยังก้มไปก่อนนานนานเป็นชั่วโมงมาบบบ น, นี่มกรนกาบเท้าหรออาจารย์ครับผมเพิ่งมาเห็นความพิษของผมเวลานี้แต่ก่อนผมตกเป็นข้าคุคิดผมเป็นคนชั่วทำร้ยคนมามากแล้วต้มเคยฆ่าคน ใครจะมาทำลายผมไม่ได้ผมปลุกข้องรุ้มของญาติพี่น้องทั้งหมดคนในตระกูลของผมเขากลัวผมทุกคนเขาไม่กล้าดังคิดว่าตัวเองดีเป็นการปกครองแต่พี่ชายเป็นห่วงไม่อยากให้น้องทำนั้นคิดขึ้นมาโอ้ยผมเสียใจผมกําลังวางแผนหลวงพ่ออาจารย์สื่อให้ผมผมจะไปเอาปืนกับลูกชายผมผมจะไปยิงคนนั้น มันจับผมมาได้ตำรวจไม่เคยจับผมไลยโอ้ผมหมาเสียใจหลวงพ่อบุญล่อมจนไม่สึกหลอดทุกวันนะวนท่านตำหน่งทาพยียงหวัดหนองขาจดหมายมาให้หลวงตาในยไปอให้มาดูแล้วลงขั้งสุดท้ายแล้วให้หลวงตาเป็นผู้มาจัดงานศพของผม ไปมอภาพ่ที่จังหวัดหนองคายไม่จึกเลยความคิด น, น, นั่นเลยอย่างเงี้ยเออนั่นเนืออย่าไปทําตามความคิดเสมอไปเรารับใช้ความคิดบ้าบ้าแล้วเกินคิดชั่วคิดสุขคิดทุกข์มีความสุขความทุกข์กับความคิดมาเห็นรูปทํานาทับหล่วโอ้ยตั้งแต่วับันนี้ต่อไป เราจะไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายเพราะใจล่ะแต่ก่อนกายใจทําอะไรเป็นสุขเป็นทุกข์โตนี้ไปเราจะไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายเพราะใจเราจะอยู่ของเราเองปลอดภัยตรงนี้ไปให้ถึงตรงนี้ได้แต่ก็ยังเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายเพราะใจอยู่อย่างไม่มั่นคงชีวิตเราสุขทุกข์ที่เกิดกับกายไม่เที่ยงไม่แน่นอนเป็นสังขาร กายสังขารจิตตสังขาไม่จริงไม่ใช่สมงจริงต้องเป็นตัวของตัวเองนะได้ยินไหมอยอดหยอง